ก็กราบบูชาปรตนาไตรกราบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อกำเขียนก็กราบครวะพระอาจารย์สงสินพระอาจารย์วัฒนาชัยพระเถระเพื่อนสาธมิกจรรเรญพรแมช่ชีแล้วก็อุบาสกบาสิกาทุกท่านก็นั่งกันตามปกติเนาะ ไม่ต้องพนมมือก็ได้นะก็ขอต้อนรับนะกลุ่มที่มาจากสาธารณสุขนะจังหวัดนครราชสีมา ก, ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะที่มาที่นี่ตามโครงการในการที่จะ ให้เป็นข้าราชการที่ดีนะก็ต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีและก็แสดงความยินดีกับทุกค น, นที่ได้มีโอกาสบรรจุบางคนก็ จ, จะได้เป็นข้าราชการบางคนอาจจะได้เป็นพนักงานราชการเท่าที่ทราบหลายคนก็ทำงานมานานแล้ว5ปีบ้าง6ปีบ้าง7ปีบ้าง นะแล้วก็ได้รับการบรรจนะุก็ถือเป็นโอกาสดีของพวกเราเนาะที่จะได้มีความมั่นคงในการทำงานนะอย่างน้อยๆก็ทำให้เรามีความมั่นใจนะที่จะได้ทำงานที่เรามุ่งหวังในการที่จะบำบัดทุกนะโดยเฉพาะ ความเจ็บไข้ได้ป่วยนะก็สร้างสุขนะที่เป็นสาธารณสุขนะให้กับผู้คนนะที่มาใช้บริการนะก็ต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่างานสาธารณสุขในปัจจุบันนี้นะก็ค่อนข้างหนักแล้วก็เหน็ดเหนื่อยพอสมควรนะเพรา ะ, รนะพะนั้นในการทำงานในบางครั้ง นะมันก็มีภาระหน้าที่นะมีความกดดันนะบางครั้งก็ทำให้เราเครียดนะทำให้เราต้องคอยปรับตัวปรับใจกันพอสมควรนะซึ่งเ็คิดว่าทละคนเนี่ยมีประสบาการณนะ์ในการทำงานในการปรับจิตปรับใจกันมาพอสมควรแล้ว ทีนี้การที่เรามาที่วัดป่าสุขโ ต, โตเนี่ยนะก็เข้าใจว่าผู้จัดเนี่ยก็มุ่งหวังเนาะี่ะใช้พวกเรานะได้มาเรียนรู้นะการปรับจิตปรับใจให้เกิดความพอเหมาะพอดีเกิดความสมดุล น, นะเพื่อที่จะทำให้เรามีความสุขในการที่จะมีชีวิตในการที่เราจะทำงาน ในการที่จะสร้างสรรความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่อไปในการทำงานเนี่ยนะก็แน่นอนละ่นะบางทีมันก็มีแรงกดดันทำให้เราเครียดนะทำให้เราหนักอกหนักใจนะซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายคนนะก็จะหาทางออกโดยการไปอาศัยวัตถุภายนอกนะเช่น ดูหนังฟังเพลงหาอาหารอร่อยอร่อยกินนะหรือว่าคุยกับเพื่อนนะซึ่งนั้นก็เป็นวิธีการคลายเครียดนะที่เราจะคุ้นเคยกันนะแต่ว่าวิธีนี้มันก็เรียกว่าเป็นการเขาเรียกว่ากรบเกลื่อนนะกรบเกลื่อนความความทุกข์นะที่มีอยู่ในจิตใจของเรานะทำให้เราไม่ได้มีโอกาสนะที่จะเรียนรู้ ความทุกข์ความเครียดนะอีกลักษณะหนึ่งนะบางคนก็เก็บตัวเงียบๆเลยไม่อยากพูดคุยอะใครเลยนะมีความอัดอั้นตันใจเก็บไว้คนเดียวนะแล้วก็ไม่กล้าที่จะบอกใครนะอันนี้ก็เรียกว่าเก็บกดนะเก็บกดแต่กีนนี้กบเกลื่อนนะกบเกลื่อนไปวันๆหนึ่งก็มีความสบายดีนะ มีความทุกข์ก็หาอาหารอร่อยๆกินไปดูหนังฟังเพลงไปคุยกับเพื่อนนะมันก็ช่วยทําให้เรารู้สึก <c oughs> สบายใจขึ้นนะเป็นบางครั้งบางคราวอีกลักษณะหนึ่งก็คือเก็บกฎนะไม่บอกกับใครกลัวคนอื่นก็จะรู้นะความไม่สบายใจของเรานะซึ่งทั้ง2วิธีเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ย ไม่มีโอกาสที่จะปรับจิตปรับใจนะให้เกิดความสมดุลได้ทีนี้มันมีอีกวิธีหนึ่งนะซึ่งเราจะได้มาเรียนรู้กันที่นี่นกะเรียกว่าการทำให้จิตใจเนียมันกลมกลืนกับธรรมชาตินะไม่เก็บกดไม่กบเกื่อนแต่ให้เกิดากลมกลืน ในการที่ทำให้เกิดความกลมกลืนกับธรรมชาติได้เนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้นะเรียนรู้ที่จ ะ, ะเผชิญกับความไม่พอใจหรือแม้แต่ความพอใจความทุกข์ความเครียดอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในตัวเรานะซึ่งในระยะ3ามสวันที่เราจะมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเราจะได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้นะซึ่งวิธีการก็ไม่ยากนะ ที่นี่จะมีวิธีการที่ง่ายๆนะเริ่มต้นจากการที่เราอาศัยเครื่องมือที่เรามีอยู่แล้วนะโดยธรรมชาติของคนเราเนี่ยมันมีของแก้กันมีร้อนก็มีเย็นมีมืดก็มีสว่างมีหนักก็มีเบามีทุกข์ก็มีในทุกข์นะมีโกรธก็ไม่โกรธได้เหมือนกัน นะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะอศสยกลไกลตรงเนี้ยอาศัยธรรมชาติตรงเนี้ยในการที่จะปรับสมดุลจิตใจของเรานะที่เจอกับความหนักอกหนักใจความเครียดนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยได้เรียนรู้กันแล้วก็เป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยได้รู้จักกันเรา เป็นชาวพุทธก็จริงนะแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็มุ่งจะไปทำบุญให้ทานรักษาศีลแต่เราไม่ได้ทำสิ่งที่เราเรียกว่าการศึกษาเรื่องใจนะที่เรียกว่าภาวนาคำว่าภาวนานี่หมายถึงพัฒนาไม่ได้หมายถึงการนั่งบริกรรมการท่องบนอะไรนะแต่เป็นการพัฒนาความรู้สึกตัว ความทุกข์ก็ดีความเครียดก็ดีเนี่ยนะถ้าเราสังเกตให้ดีเนี่ยมันเกิดจากการที่เราไม่รู้เท่าทันความคิดความคิดของเราเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยนะเครียดได้ทำให้เราสุขก็ได้ทำให้เราทุกข์ก็ได้นะคิดดีก็เป็นสุขคิดไม่ดีก็เป็นทุกข์นะซึ่งความคิดไมี่เป็นสิ่งไม่มีตัวตน และเป็นสิ่งที่เร็วมากนะมีพลังเป็นของที่ไม่มีตัวตนแต่มีพลังบางทีบางวันเรามีเรื่องคิดมากนอนไม่หลับใช่ไหมมีบางคนอาจจะนอนไม่หลับยิ่งมาวันนี้วันแรกมาวัดป่าไม่เคยมาเลยเงียบๆ เ, เออมีผีเปล่านะไม่คุ้นกับสถานที่อะไรอย่างเนี้ยนะ ก็คิดไปอย่างนั้นคิดไปอย่างนี้บางทีนอนไม่หลับนะคืนนี้แต่ถ้าคนที่ปรับใจได้คนที่เคยหนากับการไปต่างที่ต่างถิ่นนะก็จะปรับจิตปรับใจให้มันพอเหมาะพอดีกับสถานที่นะแล้วก็เรียนรู้นะสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นความคิดความคิดเป็นสิ่งที่เร็วมากมีพลังงานมากแต่มันมีตัวแก้อันนึงก็คือความรู้สึกตัว เราสังเกตไหมเวลาเราโกรธขึ้นมาโกรธนี่เป็นอารมณ์มันหนึ่งที่เกิดจากบางทีเราคิดแล้วเราโกรธมีใครมาทำให้เรารู้สึกโกรธแล้วมันเร็วมากเรารู้ว่าความโกรธไม่ดีแต่เราก็ห้ามมันไม่ได้มันออกไปแล้วแต่ความโกรธไม่ได้อยู่ตลอดเวลาพอเรารู้สึกตัวเมื่อไหร่โอ้เราโกรธไปแล้วนะประเด็นตรงนี้เป็ น, นกลไกธรรมชาติที่คอ ย, คอยปรับสมดุล เพราะฉั้นสิ่งที่เราเรียกว่าความรู้สึกตัวเนี่ยหรือสติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่เราจะได้มาเรียนรู้กันในสามวันนี้นแล้วก็ซึ่งสิ่งนี้เรามีอยู่แล้วขณะที่เรานั่งฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยเรารู้ตัวไหมว่าเรานั่งอยู่รู้ใช่ไหมเราก็พิบตาเรารู้ความรู้สึกตัวนี้เป็นพื้นฐานที่มีอยู่แล้ว แต่ว่ามันไม่พอเวลาอารมณ์มันเกิดก็ดีเวลาความคิดมันเกิดก็ดีเราไม่รู้เท่าทันมันเพราะมันเร็วมากเขาบอกแสงนี่เร็วที่สุดในโลกแล้วนะแต่สิ่งที่เร็วกว่าแสงคือความคิดแต่นีสิ่งที่เร็วกว่าความคิดคือความรู้สึกตัวเพราะนั่นนี่มันเป็นธรรมชาติที่มันแก้กันเพียงแต่ว่าความรู้สึกตัวที่เรามีอยู่ขณะ น, นี้มันยังเฉืย มันยังไม่เพียงพอมันยังไม่เท่าทันกับความคิดยังไม่เท่าทันกับอารมณ์จำเป็นที่เราจะต้องมาฝึกทีนี้ในการฝึกเนี่ยเราจะไปฝึกในสถานการณ์คือในชีวิตประจำวันเนี่ยมันยากมันไม่ใช่ง่ายก็เลยต้องมาที่วัดที่ป่าสุกโตแห่งนี้นะซึ่งเป็นที่สงบสงัดเขาเรียกว่าเสนาสนะวิเภกนะก็คือสถานที่สงบสงัด ไม่มีสิ่งปรุงแต่งมากเกินไปไม่มีสิ่งเรามากเกินไปเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้กลับมาดูตัวเราเองได้กลับมาเรียนรู้ความรู้สึกตัวนาที่มันมีอยู่แล้วได้กลับมาเรียนรู้อารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดนาที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะเราอยู่ในชีวิตประจำวันเราไม่เคยได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้หรอกเพราะว่าเรามีงานเรามีความสัมพันธ์กับคนนู้นคนนี้ เราต้องไปสนใจกับเรื่องโลกข้างนอกกับคนข้างนอกแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นภายในจิตใจเราไม่เคยได้สนใจเราไม่เคยได้ดูมันเพราะฉะนั้นชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยมันเลยเป็นชีวิตที่เราเหมือนเป็ น, เ ป, นเป็นทาตนะ่ะเป็นทาตของความคิดและแต่ความคิดมันจะสั่งให้เราทำนู้นทนํานี้หรือเป็นทาตของอารมณ์อารมณ์ที่พอใจอารมณ์ที่เป็นสุขเราก็ยินดี เราอยากให้มันอยู่กับเรานา น, านๆ <c oughs> อารมณ์ที่ไม่ดีหรือความไม่พอใจเราก็พยายามจะผลักไสมันไปนซึ่งตรงนี้เนี่ยมัก็ทำให้เรามีชีวิตที่รุ่มรุ่มเดินๆเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ใจมันก็ฟูฟูแฟบแฟแต่มันมีสภาวะอีกอันหนึ่งซึ่งขณะที่เรานั่งอยู่ตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าใจปกติไม่สุขไม่ทุกข์ ใจปกตินี่แหละหนะเป็นธรรมชาติดั้งเดิมที่มันช่วยให้เราเนี่ยไม่ทุกข์ไม่เครียดเป็นธรมธรมดาธรรมดาความรู้สึกตัวเนี่ยจะเป็นตัวที่ น, านําพาณใจของเราเนี่ยกลับมาอยู่กับความเป็นปกติขณะที่เรานั่งอยู่ตอนนี้ให้เราสังเกตดูว่าใจเราไม่ได้โกรธใจเราไม่ได้เกลียด ก็ไม่ถึงกระดีใจไม่ถึงกระเสียใจมันเฉยเฉยมันปกติอยู่อย่างนี้นะซึ่งตรงเนี้ยเป็นสภาพใจิตใจที่พร้อมนะที่จะทำงานทําการหรือการใช้ชีวิตถ้าเราโกรธก็ดีหรือเราดีใจมากเกินไปบางทีเราทํางานไม่ได้นะตรงเนี้ยเป็นจุดที่มันทําให้บัน่นทะอนนะกำลังใจของเราหรือบั่นทอน ความคิดสติปัญญาของเราเพราะอารมณ์มันมาบังนั่นเองสติปัญญามก็ไม่ได้ใช้งานอย่างเต็มที่นะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยจึงเป็นจุดที่เราจะได้มาฝึกกันมาเรียนรู้กันในระยะสามวันนี้วิธีการที่จะฝึกเนี่ยนะเดี๋ยวพวกเราก็คงจะได้ฝึกกันแต่ก็พอจะพูดโดยคร่าวๆนะว่าสิ่งที่เราจะฝึกก็คือการที่เราจะมาพัฒนา ความรู้สึกตัวหรือสติสัมปชัญญะที่มีอยู่แล้วให้มันฉับไวขึ้นให้มันว่องไวขึ้นให้มันรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดนะตรงนี้เป็นจุดสำคัญถ้าเราไม่รู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดเนี่ยนะบางทีเราก็ทำอะไรไปโดยที่เราลมตัวเราหลงไปเร า, ารู้สึกตัวโอไม่น่าเลยเช่นมีคนมาพูดให้เราไม่ถูก ไม่ถูกขูแล้วก็ด่าออกไปเลยหรือไม่ก็มีการชกต่อยกันนะเกิดการทะเลาะวิวาทกันเกิดการทำร้ายกันตรงนี้เพราะว่าเราไม่รู้เท่าทันยิ่งเราทำงานทางด้านสาธารณสุขเนี่ยบางทีคนที่มามาหาเราเนี่ยก็ไม่ใค่ปกติเท่าไหร่ในทางร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยใช่เขาก็เป็นทุกข์อะนะถ้าใจเราไม่มั่นคงเราไปรับอารมณ์เข้ามาแล้วใจสติเราไม่ทัน บางทีก็อาจจะให้บริการได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะซึ่งบางทีเราก็รู้สึกเสียใจนะที่เราทาไปโดยที่เราไม่รู้เท่าทันเพราะนั้นการฝึกสติเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสมดุลมีความกลมกลืนในทุกสถานการณ์นะในการฝึกสติเนี่ยนะที่เราจะได้ฝึกกันเนี่ยจนะจะแตกต่างนะ ไปจากที่เราเคยได้ยินได้ฟังส่วนใหญ่เราจะนิยมว่าเออถ้ามาเออจเริญสติมาทำจิตภาวนาต้องนั่งหลับตานิ่งๆนะมีคำบริกรรมนะซึ่งก็เป็นวิธีการที่นิยมกันอยู่นะก็ไม่ใช่เป็นวิธีการที่ออไม่ดีอะไรก็ดีนะแต่วิธีการที่เราจะฝึกที่นี่เนี่ยมันจะแตกต่างไป เราไม่ต้องนั่งหลับตาเราลืมตานะแล้วเราก็อาศัยการเคลื่อนไหวของตายเนี่ยนะเพราะความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะตื่นขึ้นเมื่อเรามีการเคลื่อนไหวนะซึ่งวิธีการเนี่ยหลวงพ่อเทียนนะท่านได้นําเสนอไว้นะตั้งแต่50ปีที่แล้วนะเขาเรียกว่าวิธีการเจริญสเตยแบบเคลื่อนไหวให้เรามีความรู้สึกตัวนะเมื่อเรา พิกมือยกมือมีการเคลื่อนไหวโดยไม่ต้องมีคำบริกรรมใดๆทั้งสิ้นความรู้สึกตัวนั้ น, นเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเราเจตนาเราเจตนาเราจงใจที่จะรู้สึกตัวโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นใหม่เนี่ยเราเจตนาที่จะรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวของมือนะหรือแม้แต่การเดินจงกรมนะซึ่งก็จะมีสองอิยาบท นะการเดินชมกลมกับการสร้างจังหวะนะคซึ่งเดี๋ยวเราคงจะได้เรียนรู้กันแล้วก็ <c oughs> ท่านอาจารย์ธิเนี่ยท่านก็มีสูตรนะสูตรสำเร็จง่ายๆสามวันเนี่ยทำเรื่องนี้เรื่องเดียวไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยนะบางทีเราเคยไปฝึกจะต้องทำไอ้นะู่นไอ้นี่ไอ้นั่นนะท่านมีสูตรสำเร็จของท่านเราง่ายตรงไปตรงมาพยายามทำซ้าๆยำๆ ให้เกิดความเคยชินเรียกว่าสร้างนิสัยใหม่เป็นนิสัยแห่งความรู้สึกตัวแต่ก่อนเนี่ยเรามีนิสัยที่จะทำอะไรไปตามความคิดทำอะไรไปตามอารมณ์บางทีมันยับยั้งชั่งใจไม่ได้นะแต่ต่อไปนี้เนี่ยเราจะมีสตินะ่เป็นเครื่องกำกับนาะคอยมาดูแลจิตใจของตัวเองไมใ่ใจเนี่ยมันหลงไปอยู่กับความคิด นะให้ใจเนี่ยมันอยู่กับความรู้สึกตัวหรือสติโดยอาศัยการเคลื่อนไหวของกายเพราะใจเป็นสิ่งไม่มีตัวตนเราต้องอาศัยสิ่งที่เป็นรูปธรรมก็คือกายอาศัยการเคลื่อนไหวของกายกายกับใจมันติดกันถ้าเรารู้เท่าทันกายเราก็จะรู้เท่าทันใจนะตรงนี้เป็นจุดสาคัญนาะที่เราจะได้ฝึกกันและในระยะสมสี่วันนี้ขอให้เราตั้งใจให้ดีนะ เราจะต้องในการทําอะไรดีเนี่ยมันมักจะมีมารมาขวางกัน้นมานี่ไม่ใช่เหรอกเป็นความเคยชินเป็นนิสัยเก่าๆที่เราเคยมีนะเช่นความสะดวกสบายมาอยู่ที่นี่อาจจะไม่สะดวกสบายนักนะเราก็อาจจะรู้สึกอึดอัดอาจจะรู้สึกไม่เคยสบายนะหรือบางทีเอ่อทำอะไรซ้ําๆเนี่ยมันง่วง มันเบื่อนะตรงนี้มันจะทำให้เราไม่อยากทำแล้วมันก็จะเกิดคำถามขึ้นมาเอ๊ะคุมาทำอะไรเนี่ยเอ๊ะสารสนุก็ไม่ทำอะไรมันนั่งทำอะไรซ้ำๆมันน่าเบื่อจะตายไปนะตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มันจะบั่นทอนทำให้เราเนี่ยไม่เข้าไปถึงความรู้สึกตัวนะเป็นเป็นความเคยชินที่แต่ก่อนเนี่ย เราอยู่ว่างๆไม่ได้เราจะต้องทำให้หนื่นทำให้นี่ทำให้นั่นแต่มาที่นี่เนี่ยไม่ต้องไปทำอย่างอื่นเลยนะมารู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวอย่างเดียวอย่างอื่นนั้นเป็นเรื่องลองสามวันนี้ให้ทำเรื่องนี้เต็มที่แล้วก็ขอให้อดทนนะอะไรมันเกิดเนี่ยทนมันไว้ก่อนอย่าไปทำตามมันเช่นมันง่วงก็หลับไปเลย มันเบื่อก็เลือกทําไม่เอาละเบื่อไม่อยากทําละนะตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้การฝึกของเราเนี่ยไม่เกิดผลการฝึกเนี่ยมันจะต้องทําอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความเพียร น, นะมีความอดทนและแรกๆเนี่ยนะต้องฝืนความเคยชินหน่อยความเคยชินที่จะทําอะไรตามใจตัวเอง ความเคยเชินเทียทำอะไรไปตามความสะดวกสบายของตัวเองตตรงนี้เนี่ยเราต้องฝืนนิดหนึ่งนะแล้วก็ลองดูนะมวันนี้มันจะเกิดผลยังไงบ้างแต่อย่าเพิ่งไปหวังผลกับมันมากนะทำตามที่ท่านอาจารย์ธงศิลป์จะพาทำแล้วก็ฟังนะสิ่งที่เป็นข้อแนะนำที่นี่เนี่ยจะไม่ได้เน้นนะว่า วิชาการกรรมฐานวิชาการหมายถึงพูดพูดมากนะพูดน้อยๆแต่ทำมากมากก็เรียกว่ากรรมฐานปฏิบัติการก็เรียกว่าการฝึกเชิงปฏิบัติการพูดน้อยมีสูตรสําเร็จแล้วลงมือทําเลยจุดประสงค์ก็คือต้องการให้พวกเราได้เรียนรู้ตรงๆเรียนรู้อารมณ์ของตัวเราเองเรียนรู้ความคิดที่มันเกิดขึ้นเรียนรู้ความรู้สึกตัว ซึ่งตรงนี้ถ้าเราฝึกได้มันจะติดตัวเราไปการได้ยินได้ฟังเนี่ยนะก็เป็นส่วนประกอบเราจดจำได้แต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกนะมันก็ไม่ติดตัวไปหรอกเดี๋ยวเราออกจากวัดก็ลืมแล้วแต่ถ้าเราทำเราบาชูชาเกับอารมณ์แก้อารมณ์ได้มันง่วงเราแก้ไม่ให้ง่วงได้มันคิดเรารู้เท่าทันของมันมันเกิดอะไรขึ้นเรารู้เท่าทันตรงนี้เราจะได้เอาไปใช้ เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเอาไปใช้กับการงานจริงๆซึ่งสามวันนีจะเป็นสามวันแห่งชีวิตที่มีคุณค่าทีเดียวนะเพราะนั้นขอให้เราตั้งใจดีๆนะแล้วก็มีความเพียรมีความอดทนนะอย่าเห็นแก่ความสะดวกสบายนะไหนๆมาแล้วเสียงงบประมาณไม่ใช่น้อยนะแล้วก็ความตั้งใจของพวกเราเนี่ยคิดว่ามากกันเต็มที่เต็มร้อย นะการที่ได้มาที่นี่เนี่ยอาจารย์จันทรงสินพูดไว้นะว่าต้องเป็นแรงอธิษฐานของพวกเราไม่รู้ว่าเมาื่อไรละถ้าพูดถึงชาตินู้นชาตินี้อย่างน้อยๆมันต้องมีอธิษฐานว่าจะพวกคุณชาติหน้าชาติไหนขอให้ได้มีโอกาสเป็นชาวพุทธเกิดในประเทศไทยได้มีโอกาสมาศึกษาปฏิบัติธรรม แล้ววันนี้มันได้มาแล้วตามแรงอธิษฐานนั้นนะฉะนั้นก็ให้เราตั้งใจเนาะมีความ เ, เพียรมีความอดทนและพยายามเปิดใจนะเปิดใจกว้างๆฟังสิ่งที่เป็นข้อแนะนำแล้วทำตามถ้าฟังแล้วยังไม่เปิดใจเนี่ยมันจะเสียเวลาเลยนะเหมือนเขาบอกว่าเหมือนแก้วอะ่ะแก้วที่มันใส่น้ำเนี่ยถ้าน้ำมันเต็มแก้วเนี่ย เทน้ำเข้าไปมันก็ล้นออกหมดเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้แก้วเป็นแก้ ว, กวเปล่าพร้อมที่จะรองรับสิ่งที่จะเป็นสาระประโยชน์ข้อแนะนําในการที่จะฝึกปฏิบัตินะแล้วก็ทําตามไปเลยนะถ้าเป็นไปได้ก็ทําเป็นแบบคนโง่ไปเลยอย่าเป็นคนฉลาด <c oughs> ตรงเนี้เราจะได้เรียนรู้ถ้าฉลาดมากๆเนี่ยบางทีคนฉลาดมากเนี่ยเรียนรู้อะไรยากเหมือนภาษาลีบุตรเนี่ยกว่าจะบรรลุธรรมนี้ต้องใช้เวลา นานกว่าพระโมคคัลนะนะพราะเป็นคนเจ้าปัญญาเป็นคนคิดมากและการเรียนที่นี่เนี่ยไม่ต้องใช้ความคิดเลยนะทิ้งความคิดหมดแล้วกลับมารู้สึกตัวเป็นการเรียนรู้ที่อาศัยสัญชาตญาณที่เรามีอยู่แล้วตั้งแต่เด็กๆอ่ะเด็กๆ เ, เ, เนี่ยเราจับหยิบจับอะไรด้วยความด้วยสัมผัสเนี่ยด้วยความรู้สึกตัวไม่ก็ได้ใช้ความคิดอะไรมาก การฝึกที่นี่เนี่ยการฝึกเตรอญสี่เนี่ยไม่ต้องใช้ความคิดเลยนะทิ้งหมดเลยทิ้งความคิดความคิดอะไรเกิดขึ้นมาทิ้งให้หมดเลยตรงนี้เราจะได้สัมผัสให้ความรู้สึกตัวมันเด่นความรู้สึกตัวเด่นเนี่ยน ะ, ะและความคิดเนี่ยมันจะมันจะค่อยๆน้อยลงไปน้อยลงไปแต่ไม่ต้องกลัวนะว่าโอ้โหสามวันนี้ทําไปทํามาเดี๋ยวความคิดจะหายหมดไม่ต้องกลัวเลยนะมันจะเป็นการจัดระเบียบความคิดจากแต่ก่อนเนี่ย คิดจบคิดจะคิดนู่นคิดนี่มันไม่รู้จักหยุดต่อไปนี้เนี่ยเราจะรู้จักละอ๋อไอ้นี่คิดก็หยิบเอามาใช้ไอ้นี่ไม่คิดก็หยุดมันไว้ก่อนความรู้สึกตัวเนี่ยจะเป็นตัวมาช่วยจัดระเบียบความคิดได้ซึ่งตรงเนี้เป็นเป็นศิลปะนของการใช้ชีวิตศิลปะของการฝึกจิตที่มีมาตั้งแต่ 2,600 ปีที่แล้วโดย สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ค้นพบณในวันวิสาขบูชาแล้วก็ได้สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ชาวพุทธเราได้มีโอกาสได้มาเรียนรู้ที่ใ น, นเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้จํากัดศาสนานทราบว่ามีชาวคิดมาด้วยคนหนึ่งพนะราะนั้นก็ไม่ได้จํากัดเหมือนกันเพราะว่าเรื่องความคิดเรื่องความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นเรื่องของคนทุกคนไม่เกี่ยวกับศาสนา น่เป็นเรื่องที่เราสามารถจะเรียนรู้ได้ที่นี่มีทั้งคริสต์มีทั้งมุสลิมมาเรียนรู้ระะนั้นชาวคริสต์ก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้น่เรื่องนี้น่ะเพียงแต่ว่าเปิดใจกว้างแล้วลองฟังดูไม่เชื่อแต่ก็ลองดูพิสูจน์ดูก่อนนะทำทำทำใจว่างๆเรียนรู้ฟังแล้วก็ปฏิบัติพิสูจน์ด้วยตัวเราเอง อย่าเพิ่งเชื่อนะพิสูจน์ด้วยตัวเรเองแล้วเราเจนว่าโอ้มันมันมันมีประโยชน์มันหรือมันไม่มีประโยชน์3วันนี้เราก็จะรู้ถ้าทําแล้วไม่มีประโยชน์ก็ทิ้งไว้แต่ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็เอาไปใช้ต่อนะเนี่เป็นสิ่งที่ท้าทายพวกเราได้มาพิสูจน์ให้เราลองดูนะเรื่องของการเจริญสติแนวเคลื่อนไหวของหลวงพ่อเทียนนะส่วนรายละเอียดวิธีการที่จะปฏิบัติเนี่ยเดี๋ยวคงจะ ได้รับฟังในช่วงที่จะพาพวกเราปฏิบัติอีกทีหนึ่งณเพราะนั้นตรงนี้ก็อยากจะอนุโมทนากับพวกเราเนาะที่มาร่วมกันใช้ชีวิตที่วัดป่าสุกโตแห่งนี้านะที่จะมาเรียนรู้เรื่องจิตเรื่องใจของเราเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจของเราเป็นความรู้ที่มีมาตั้งแต่2 6 0 0ปีที่แล้วและจะช่วยทาให้เราเนี่ยออกจากความทุกข์ได้ ออกจากความเครียดได้สามารถที่ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยกลมกลืนกับธรรมชาติกลมกลืนกับความเป็นปกติของใจและกลมกลืนกับการใช้ชีวิตในสังคมด้วยเราจะมีชีวิตใหม่ไม่ใช่ชีวิตที่กบเกินไปวันวันหนึง่งหรือไม่ใช่ชีวิตที่เก็บกดไปแต่และเก็บกดไว้เก็บกดไว้ไวนะแต่เลยทำชีวิตให้มันกลมกลืนกลมกลืนกับธรรมชาติของเราแเพราะนั้นในสามวันนี้ก็อยากจะ ให้พวกเราลองพิสูจน์ดูเนาะอาลัยใต้พิสุจน์นี้นะก็ขออ้างอิงเอาคุณของพระสีรัตนไตรแลนะ้ก็คือพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะได้มาเตือนจิตสกิจใจของพวกเรานะได้มาเรียนรู้นะเรื่องของการเจริญสติขอให้มีความเพียรความพยายามมีความอมดทนนะในการที่จะมาเรียนรู้นะเรื่องของกายเรื่องของใจ นะเพื่อพิสูจน์ความจริงนะของสิ่งที่พระ เ, เจ้าได้ค้นพบและก็ยังไม่ล้าสมัยนะยังใช้ได้อยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะก็ขออนุโมทนากับทุกท่านในวันนี้ด้วยจเจริญพร